นี่ก็เป็นวันหยุดนนในสุดสปดานะพวกเราก็ได้มีโอกาสได้มาทำบุญทำบุญเนื่องในวันหยุดของเราด้วยเนื้อละทำบุญในการคารอบรอบวันที่เราได้เกิดขึ้นมาในโรคนี้คือเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเอง เมื่อชีวิตของเรายัางยืนยาวมาถึงวันนี้นั่นก็ได้บุญที่รักษาไว้และโอกาสที่พวกเราจะได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์นั่นก็ไม่ใช่ของที่ว่า ง, ง่ายนะต้องมีบุญวัสนาบรารมีพร้อมแล้วก็ได้มาเกิดเห็นได้ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนะ ที่ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดวงจิตที่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นจํานวนมากทีเดียวที่สุนในอวัยภูมิแม้แต่เทวดาเนี่ยถ้าเกิดว่าหมดบุญจากเทวด า, าแล้วมีความสุขในเทวโลกแล้วสวยผลแห่งกรรมดีคือทานศีลภาวนาไปบังเกิดในเทวโลก เมื่อหมดบุญจากเทวโรกแล้วเนี่ยสุคติของเทวดานั้นก็คือมนุษย์โลกนี้เองเห็นเมื่อเราได้สุคติที่ดีสุคติภูมิที่ดีก็คือโลกมนุษย์นี้มีโอกาสที่เราจะได้สร้าง ส, างสมบมุมบรมีด้วย <c oughs> แม้องค์ส ม, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะตัดสู้นั้น <c oughs> ก็มาตัดสู้ในมนุษย์โลกนี้ ในผู้ที่มีวาสนาบา ร, รมีนั้นก็มาเกิดในมนุษย์มาฟังธทำแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทำํทำเครดให้เบาบางทําพบชาติในการเกิดมนุษย์นี้ให้หมดไปจนถึงว่าสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก็เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เองพระศาสดาแสดงธรรมก็แสดงธรรมอยู่ในโลกมนุษย์นี้เป็นหลัก นยกเว้นที่ว่าแสดงในอภิธรรมจิตคำภีก็แสดงแก่เทวดาในดาวดึงเทวโลกนอกนั้นแปมื่พันระธรรมกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็แสดงนะอยู่ในมนุษย์นี้เองเราควรจะภูมิใจว่าในชาตินี้เราได้ถือกาเนิดเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจ เมื่อเราเระเลิกเจ่นนี้แล้วเราก็ไม่ประมาทก็ไปยังสร้างสมอบรมคุณงามความดีของเราเรื่อยไปคือมือจิตใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องที่จะพัฒนาดวงจิตดวงนี้ให้สูงส่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเราก็เคยเวียนว่ายตายเกิดมามากในวัฏะสงสารเนี่ย นะนับพบนับชาติไม่ทั่วแล้วล่ะนับนะว่ายาวนานขนาดไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์หนึ่งก็ยากนะใช้เวลานานมาก น, นี่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรูนะ้การเป็นหลายๆ ล, ล้านองค์แล้วเนี่ยนะรเราเกิดมานานทีเดียวแต่เราก็ต้องสร้างบารมีนะ่จนเต็มพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปนะ เข้าสู่โลกุตรจิตให้ได้การเจาะพัฒนาจิตสู่โลกุตรจิตนั้นก็เป็นจิตที่จะรู้เรื่องของสมมติตามความเป็นจริงนั่นเองมั่อเรานี้เกิดมาในประเทศไทยเราก็รู้เรื่องของสมมติเรื่องของภาษานะภาษาไทยของเราคนเกิดที่ประเทศยุโรปอเมริกาออสเตรเลียก็จะรู้ในเรื่องสมมุติ ของภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นตน้นเมื่อเราอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยสมมติก็อย่างหนึ่งอยู่ในภาคอีสานสมมุติก็อย่างหนึ่ ง, ต ง, งแต่มีความหมายให้รู้จักตรงกันว่าสิ่งนั้นคืออะไรอย่า ง, งวาชิอาก็เคยพูดแทะตามาฟังว่าคนทางภาคอีสานนั้นเขาบอกว่าเขาไปในเมืองก็คือไปในเมืองนั่นเอง ไปซื้อเกลียก็คือซื้อเกลือถ้าเป็นคําเดียวกันผู้ซําเนียงที่มันแตกต่างกันไปบ้างผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ความหมายนะก็คือไปซื้อวัตถุอันหนึ่งที่มีความเค็มหรือเข้าไปในชุมชนนะัที่ว่าชุมชนเมืองแต่ละชาติแต่ละภาษาก็เรียกอย่างหนึ่งเป็นสมมติทางนั้น การที่เราจะพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปก็เรียนรู้เรื่องสมมุตินี้เองให้เห็นสมมุติตามความเป็นจริงนะจิตก็จะวิมุตต์ว่าหลุดพ้นขึ้นมาได้เหมือนร่างกายเหล่านี้แหละเป็นผู้หญิงก็สมมุติเรีย ก, กว่าผู้หญิงผู้ชายก็สมมติเรีย ก, กว่าผู้ชายเป็นเด็กก็สมมติเรีย ก, กว่าเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็สมมติเรีย ก, กว่าผู้ใหญ่เป็นวัยกลางคนวัยชราก็สมมุติทั้งนั้นเลยนะ เมื่อมีสมมุติขึ้นมาแล้วจิตเนี่ยก็ไปหลงสมมุติคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อจิตหลงสมมุติแล้วน่นก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดขึ้นมาเพราะว่าจิตไปหลงสมมุตินั่นเองถ้าจิตรู้จากสมมุตินี้ตามความเป็นจริงแล้วนะว่าแท้ที่จริงนั้นไม่มี มีแต่สภาวะทึงเป็นอริยจังทุกขงกังอนัตตาของรูปของนามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะจิตก็เป็นมิหตดหลุดพ้นะจากความยึดถือขึ้นมาได้ตรงนี้เองแหละเป็นจิตที่เราจะพัฒนาสู่โลกุตราจิตเหมือนในสระหลังนี้แหละวันนี้ญาติโยมนะเป็นวันอาทิตเราก็มากันมากเป็นร้อยคนเราก็มานั่งสระนี้สรานี้ก็เต็ม ทา ม, มามากเกันอีกสองร้อยคนสล า, าหลังนี้เราจะรู้สึกว่าเล็กเกินไปซะแล้วเห็นไหมว่าสล า, านี่เขาอยู่เฉยๆนะสล า, าอยู่เฉยๆไม่ได้เล็กหรือไม่ได้ใหญ่ถ้าคนมามากสล า, านี้ก็เล็กถ้าคนมาได้น้อยเราก็จะรู้สึกว่าแล้วสล า, าหลังนี้มันก็ใหญ่สล า, าหลังนี้มันจะใหญ่มันจะเล็กนั้นเกิจกดจากจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมานะปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขาร พงขึ้นมานะหลงสมมตินั่นเองถ้าเราพิจารณารู้เท่าทันอย่างนี้แล้วเห็นว่าจิตที่เราปรุงแต่งขึ้นมาจากอาวิชชานะเอาอวิชามีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารความนึกคิดปรุงแต่งดีบ้างก็เรียกว่าเป็นสังขารฝ่ายกุศลไม่ดีก็เป็นอกุศลนะมันจะปรุงมันจะแต่งอย่างเงี้ยเรื่อยไป เมื่อสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งเราก็หลงไปอีกยึดว่าเป็นตัวเป็นต น, ตนสัตว์บุคคนเราเขาเกิดเมตนาเกิดตนาเกิดโรเกิดเกิดหลงเกิดรูปทานเนี่ยขึ้นมาในจิตใจของเราเราต้องสงบ ร, ระวังแล้วว่านะการที่พวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะเรารู้จักสมมติแล้วจิตไปยึดเอาสมมติแล้วก็ต้องมีสติพิจารณาทาจิตของเรานั้นให้มีสติ มีปัญญาก็ต้องอาศัยการฝึกฝนการอบรมอยู่เสมอถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่อบรมแล้วจิตมันก็จะหลงสมมุติตั้งแต่เกิดนะจนกระทั่งแก่เจ็บแล้วก็ตายไปเราก็จะไม่รู้เท่าทันเลยไม่รู้เท่าทันของสังขารไม่รู้เท่าทันของความเป็นจริงของสังขารได้เพราะอะไรเพราะว่าความมืดคือวิชานี้มันปกปิดจิตของเราไว้จิตก็ไม่สว่าง เหมือนกับว่าเรามีาเพชรเนินจินดามีค่ามากนะแต่ว่าไม่ได้เจรไนนะเพชรนั้นก็ยังไม่ส่องแสงออกมาจิตนี้เครื่องเหมือนกันถ้าขาดการเจรไนด้วยศีลธรรมทิพปัญญาแล้วถูกกิเลสันห่อหุ้มไปเรื่อยๆจิตก็จะเมืดมิดปิดบังไปเรื่อยๆเมื่อจิตมันเมื่ิดมิดปิดบังนั้นนะไม่มีคุณสมบัติที่ดีจิตก็จะต้องไปเกิดในภพภูมิ แต่ถ้าจิตนี้มีคุณสมบัติที่ดีก็จะไปเกิดพบภูมิที่ดีถ้าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะเราจะมีความโลภโกรธหลงอยู่นั้นเราก็จะต้องพยายามมาปฏิบัติให้โลภโกรธหลงนั้นมาอยู่ในความควบคุมของสติของปัญญาที่เราเรียกว่ามีศีลให้ได้ในเบื้องตน้นถึงจะมีความโกรธมีความพยาบาทอยู่ก็ตาม แต่เราก็ไม่ทำตามความโกรธความพยัยาบ่านั้นถึงจะมีความโลภก็ตามเราก็ไม่ทำตามความโลภที่เกินล่วงละเมิดศีลธรรมนั้นจะมีความหลงหวดตัวเราของเราก็ตามนะเราก็ไม่ล่วงละเมิดในศีลธรรมอันนี้เป็นคุณงามความดีที่สำคัญที่เรียกว่าศรรีลคือการรักษากายวาจาของเรานั้นให้ตั้งมั่น มีความเข้มแข็งมันก้อนศิลาที่มีความมั่นคงแข็งแรงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจะสร้างโบสถ์สร้าง อ, อุโบสถขึ้นมานะก็มีฝังลุกนิมิตเขาจะใช้ก้อนศิลานี้เป็นหลักเป็นเขตเพราะมีความแข็งแรงคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศมาอย่างนั้นนะเรียกว่าอะไรที่เป็นนิมิตก็คือว่าเป็นศิลาเป็นนิมิตที่แข็งแรงศิลนี้ก็คือศิลานั่นเอง นะความมั่นคงแข็งแรงใจของเราจะมั่นคงได้ก็จะต้องมีศีล น, นะเมื่อมีศีลมีการสรั่งลมกายวาจาเรียบร้อยมีศีลห้าเป็นปกติเรามีทานเป็นปกติทำบุญเป็นปกติชนนี้เรียกว่าเราเป็นพุทธบริษัทที่มีความเชื่อมีความเริ่อมใสในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนให้พวกเรานั้นมีความเสียสละ ถเรามีความเสียสละเป็นเบื้องต้นในการให้ทานมีการสมทานศีลของเราอยู่เสมอแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างจริงใจอย่างจริงจังก็ จ, จะเป็นเหตุให้เราได้พัฒนาดวงจิตตรงนี้แหละให้สูงขึ้นไปอีกนะเพราะศีลนันลกทา น, นาั่นทำจิตของเราให้มันมีความดีขึ้นมาแล้วเกิดความสุข เกิดความสงบเกิดความเบากายเบาใจได้ระดับหนึ่งต่อไปเราก็จะต้องพัฒนาดวงจิตนี้ให้สูงขึ้นไปอีกนะถ้าเรียกว่าสักคะหรือสวรรค์ก็คือความสุขนั่นเองเราอยู่ในบ้านในเรือนของเราถ้าเกิดว่าครอบครัวใดมีศีลธรรมแล้วก็มีความสุขมีความสงบถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วก็มีความเดือดร้อนใจ แม้จะมีเงินทองมากมายก่กองก็ตามก็ไม่สามารถให้จิตมีความสุขได้เพราะว่าขาดธรรมะยังธรรมะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จิตของเราจะต้องแสวงหาธรรมะเราแสวงหาวัตถุสิ่งของภายนอกเพื่อให้ร่างกายนี้มันอยู่ได้ด้วยความไม่ลาบากแต่ใจนั้นต้องมีธรรมะถ้าขาดธรรมะก็จะเป็นใจที่เราร้อนใจที่เราร้อนนั้นก็จะเป็นใจที่ตกนรก ใจที่มีความสุขใจที่มีความเย็นก็เป็นใจที่มีเป็นสวรรค์นั่นเองนั้นสวรรค์นั้นไม่ได้ว่าจะอยู่ที่ไกาที่ไหนนรกก็ไม่ได้อยู่ที่ไกายแตอยู่ที่ใจตรงนี้เองท่านจึงว่านิพพานล่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจตรงนี้ใจที่หมดความโลภหมดความโกรธหมดความหลงนั้นนะก็เป็นใจที่มีความเย็นก็คือนิพพานอยู่ที่ใจพรหมก็อยู่ที่ใจตรงนี้ใจที่มีสมาธิ มีความตั้งมั่นสามารถควบคุมกิเลสเอาไว้ได้กิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงมันออกมาไม่ได้เพราะว่าสมาธินั้นคุมเอาไว้อยู่มันห็นทหญ้าย่าก็งอกไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเอาศิลาเอาหินออกมาเมลัยย่าจะงอกกลับมาอีกสมาธิที่ควบคุมจิตเอาไว้ในเบื้องตน้นถ้าสมาธิลดน้อยลงมากิเลสก็สามารถเกิดขึ้นมาได้อีก เราจึงจะต้องเอาสมาธิที่มีอยู่เนะี่ยพิจารณาให้รู้จักเรื่องของสมมุตินะรู้จักเรื่องของสมมตินะถ้าเรารู้จักเรื่องของสมมุติแล้วนะจิตใจของเราปล่อยวางได้นะใจของเราจะเข้าสู่ในโลกุตระได้นะไม่ต้องสงสัยเลยนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในโลกถ้าเราพิจารณาเห็นเป็นสมมุติแล้วใจก็จะว่างใจจะถอนอุปทานถอนความยึดมั่นถือมั่น ถอนตัวเราถอนตัวเขาเพราะว่าร่างกายที่นั่นอยู่นี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะแท้จริงแล้วนะเป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนาัตตานี่ใจของเราจะรู้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาปัญญาที่เกิดอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิที่ตั้งมั่นองใจควบคุมเกลียดเอาไว้ได้แล้วจะได้พิจารณาทําจิตใจให้ผ่องใสทําใจให้บริสุทธิ์เจริญในใจของเรานั้นให้มีความสว่างไสว มีปัญญาญาณเกิดขึ้นรู้เท่าทันสมมติตามความเป็นจริงรู้เท่าทันอารมณ์ที่เข้ามาตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสมมุติทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ของจริงนี่เรียกว่าผลแห่งการปฏิบัติจะเกิดขึ้นกับเราในเบื้องต้นนั้นเรายังไม่มีปัญญาเรายังไม่มีสมาธิเราก็จะต้องมีทานนะทานนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทามาก ทำตามกำลังของเรานะยิ่งเป็นศีลแล้วเราก็ไม่ต้องเสียสตางค์เลยนะสมรวมกายทัสมรวมวาจาให้ถูกต้องเป็นศีลก็มีอานิสงส์มากกว่าทานอีกบางคนทำทานได้ทำบุญได้แต่ว่าศีลก็ยังรักษาไม่ได้ถ้าเรามีทรัพย์น้อยเราก็รักษาศีลดิเรารักษาศีลก็มีอานิสงส์มากทีเดียวทําให้จิตของเรามีความสงบกายสงบวาจานะอันนี้ก็เป็นศีล ต่อมาแล้วยิ่งภาวนาเนี่ยนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิปฏิบัติทาจิตของเราให้สงบแล้วนี่นะเป็นสมาธินะมีความตั้งมั่นนะยืนเดินนั่งนอนดื่มทําพูดคิดก็มีสติฝึกสติของเราให้มันมีมากขึ้นอยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ยนะให้มากทีเดียวเมื่อเราพยายามฝึกสติเช่นนี้ จิตของเรารับรู้อารมณ์อะไรเข้ามาแล้วเราก็ไม่ยห็นดีและก็ไม่ยห็นร้ายเพราะรู้ว่าสภาวะนะทั้งหลายเป็นของสมมติเมื่อเราไม่เห็นดีเราไม่ยห็นร้ายจิตก็วิมุตตินะ่ะก็หลุดพ้นจากสมมติเมื่อจิตหลุดพ้นจากสมมติขึ้นมาแล้วจิตก็ว่างว่างจากความยึดถือขึ้นมานี่ตรงนี้เราต้องฝึกจิตของเราเข้ามานะรู้จักในเรื่องของสมมติมุติ ก็จะเกิดขึ้นกับจิตของเรานักปฏิบัติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระศาสนาองค์สมเด็จพระศาสดาพระ ส, ร ม, สมมาถุนเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้ในเรื่องของสมุดทั้งหมดแล้วว่าสิ่งที่ให้เกิดสมุดทั้งหลายในะการวิชาตนะอุปทานนี่เองภายในใจนะพระองค์ก็รู้แจ้งด้วยปัญญาจิตเก้าวิมุตต์หลุดพ้นมีความบริสุทธิ์เราจึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยพระปัญญาคุณ พระ อ, องค์มีปัญญาสามารถชนะกิเลสเป็นสมุเทเธตทบะหารได้พระ อ, องค์มีจิต ท, ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเพราะชนะอวิชช า, า, าท่านเอาประทานได้จึงได้นามว่าเป็นพระอรหันต์นะเป็นผู้ที่ว่าไกลจากกิเลสดับเพลิงทุกข์นับเพลิงกิเลสได้สิ้นเชิงนะพระ อ, องค์นั้นมีพระมหา ก, กราธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาได้สุทาธิปมายไม่ได้ที่ได้ทรงสร้างบรมีมาแล้วจนสําเร็จแล้วก็ได้เทศนา สั่งสอนธรรมะเอาไว้อีกนะเมื่อพระองค์ได้เทศธรรมะมาอย่างนี้แล้วจนบั ร, รมะเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่ในปัจจุบันเราถึงแม้ว่าไม่ได้เกิดทันหรือเกิดทันในสมัยพระพุทธเจ้าเรายังไม่ได้เห็นธรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เห็นธรรมในปัจจุบันนี้เราจเจนพระพุทธเจ้าในใจทีเดียวนะพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลที่พระองค์นิพพานไปแล้วนั่นแหะนะ กิเลสว่านิพพานในรูปกายเนี่ยนะดับขันไปแล้วอ่านะดับขันปณินิพพานรอบแล้วแต่จิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์นั้นนะยังมีอยู่ยังมีอยู่เราเราลึกถึงจิตของเราก็เกิดปิติเกิดความประโมทแล้วเราจะเห็นความบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้อย่างไรลนะ่ะถ้าอยู่ในสมัยพุทธกา迦ถ้าเราจะไม่เห็นธรรมะเราอยู่ใกล้พระเจ้าแม้ว่าจับชาชีวรพระเจ้าอยู่ องค์ก็บอกว่ายังไม่ได้เห็นท่านยังไม่เห็นท่านนะเพราะว่ายังไม่เห็นธรรมะแม้จะใกล้ท่านก็ไม่เห็นท่านมีสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นผู้ที่มีศรัทธามากทีเดียวนะเห็นพระพุทธเจ้าก็มีความอิ่มใจแล้วมีความสุขใจอิ่มใจมีปิติสุขมากทีเดียวแห ะ, ะไม่ต้องทําอะไรแล้วอยู่ได้นะอยู่ได้ไม่ต้องฟังธรรมได้เห็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นอ่ะก็มีความสุข อิ่มใจสบายใจทีเดียวแต่พระพุทธเจ้าก็เห็นมาเออสงสาวกของท่านองค์นี้เนี่ยนะก็จะอิ่มใจเพราะยึดอยู่ในรูปกายของท่านยิงไม่ท่านอยู่ใกล้ให้ท่านไปอยู่ไกลท่านทนไม่ได้เลยนะจะต้องกระโดดหน้าผาตายดีกว่าถ้ามาเห็นพระพุทธเจ้าขอตายดีกว่าพระพุทธเจ้าก็ทราบก็แต่งฉับพันตรังสีนะมาสอนนะํามาสอนว่าให้เธอเน่ยพิจารณาที่ กาพิจารณาอย่าไปติดอยู่ในรูปในนามนั้นท่านก็เลยพิจารณาในรูปในนามนั้นจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาได้เห็นไหมนี่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งท่า น, นเลยสําเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าแล้วและท่านได้บรรลุธรรมแล้วเป็นพุทธะในใจแล้วเมื่อก่อนอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าและจิตยังไม่เป็นพุทธะแต่ตอนนี้เห็นธรรมะบรรลุธรรมะแล้ว จิตเห็นพระุทธเจ้าจิตก็เป็นพุทธะนะเห็นพระพุทธเจ้าในใจเต็มที่แล้วนั่นเองงั้นพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดในสมัยนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมะพวกเราเห็นสมมตุติสิ่งทั้งหลายเป็นสมมุติมันญยัดเท่านั้นเลยรูปนน้ำนี่ก็เป็นสมมุตินะหาเป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่ได้นะมีแต่ความเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา จิตของเราวิมุตต์หลุดพน้นขึ้นมาได้เราจเจนพระพุทธเจ้าอเราเห็นธรรมเราก็เจนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, าจึงตัดว่านะดูก่อนอ น, อนุคนใดเห็นธรรมะบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตนะพระพุทธเจ้าไดนะ้อยู่ที่ธรรมะนะอยู่ที่ธรรมะถ้าเราเห็นอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาของรูปของนามเราก็เห็นพระพุทธเจ้าในใจของเรานี่เองนะมาเดกไก่จากที่ไหนเลยอยู่ในใจของเราเงแค่ให้เราพยายาม ปฏิบัติให้เห็นสมมุตินะ่ะตามความเป็นจริงเนี่ยโน้นาวนี้เป็นของสมมติทั้งนั้นมองโลกนี้ก็เป็นความว่างอะแหละเมื่อมองโลก ค, ความเป็นความว่างวัตถุราส์นะี่ก็จะตามไม่ทันนะ่ะจะตามไม่ทันนะ่ะเป็นสมมติขึ้นมาเราก็รู้เท่าทันก็เป็นไม่มดมันสาลาดังนี้แหละไม่เล็กไม่ใหญ่ตัดใจของเราพผงแตกเมื่อไหร่มันก็มีเล็กใหญ่หรือว่าสลานี่ก็เป็นสมมุติเรียกว่าสลา แท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นธาตนนุนหนึ่งทึ่กำลังเสื่อมไปกำลังสิ้นไปเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยๆแล้วกำลังดับไปดับไปดับไปแตกสลายไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เห็นวัตถุในโลกนาะที่มีวิญญาณคลองไม่มีวิญญาณคลองนะทั้งมนุษย์สัตว์ก็ดีวัตถุก็ดีก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นนี้เนี่ยจิตของเราก็ไม่ไปยึดถือละ จิตของเราก็ไม่ต้องการอะไรในโลกนี้แหละนะถ้าจิตของเราเห็นอย่างนี้จะไม่ต้องการสิ่งอะไรในโลกนี้ในโลกนี้เนี่ยเอามามอบให้เราเป็นของเราคนเดียวนะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งภายนอกเป็นสิ่งภายนอกเป็นทรัพย์ภายนอกไม่จะทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในที่เรารู้จกักสมมุติของสิ่งภายนอกนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเห็นร่างกายเรานี้มีแต่ความ แก่เจ็บตายเรือ่อยไปใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกทีเนี่ยสิ่งภายนอกนั้นนะจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ดวงใจของเราจะปรารถนานะเพราะว่าร่างกายนี้มันก็จะต้องตายนั่นเราจะเอาอะไรไปได้นะว่าหนึ่งก็ต้องตายทรัพย์สินสิ่งของนี้เอาอะไรก็ไว้ในโลกนี้เท่านั้นแหละแม้แต่ร่างกายนี้ก็เอาไว้ในโลกนี่เราก็จะได้เห็นธรรมะดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะเกิดขึ้นแก่ใจของเราปิติสุขในจะเกิดขึ้นแก่ใจของเรา มันจะมีความอิ่มนะมากกว่าที่เราจะได้ซับภายนอกซึ่งเป็นโลกามิตรความสุขอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจากเราได้ลาบได้ยศเสินเสินสุขแต่สิ่งเหล่านี้มันก็มีเสื่อมลาบเสื่อมยศนินถาทุก์ท่านว่าเป็นความสุขอันอิงด้วยโลกอยู่แต่ความสุขอีกชนิดหนึ่งนั้นเป็นอันนี้ราไม่จะสุขเป็นสุขที่มดิอิงในโลกเป็นสุขที่ใจของเรามีธรรมะนั่นเองอย่างวันนี้เนี่ยพวกเรามาทําทาน ทำบุญเราก็เอาวัตถุสิ่งของนํามาทําบุญก็ดีเนี่ยนะนะของบูชาทั้งหลายเอามาช่วยกันงงบํารุงพุทธศาสนาเป็นศา ส, สนาัตถุแต่ว่าในใจของเรานั้นจะได้คุณธรรมความดีนะจะได้บุญได้กุศล น, นะเกิดขึ้นมาในใจของเราทีเดียวนะบุญกุศลนั่นก็คือคุณงามความดีอยู่ในใจนั่นเองใจนี้ก็จะอิ่มนะได้บุญแล้วนเะลิกขึ้นมาเมื่อไหร่นะบุญก็เกิดขึ้นเมื่อเราจะเคยได้ทําบุญตรงนี้นะ เราได้สมาทานศีล น, นะเราได้บำเพ็ญภาวนานะนะบุญจะเกิดขึ้นนะในใจของเราเนี่ยบุญตัวนี้นะถ้าเราพยายามสั่งสมยิ่งเป็นบุญของการมีศีลบุญของการมีการภาวนาแล้วมีสติพยายามสั่งสมจิตของเราจะพ้นทุกได้การทําทานก็เพื่อละความโลภนักศีลเผื่อละความโกรธการภาวนาก็เผื่อละความหลงณะตัวละตน เรายิ่งละตัวตนได้มากเท่าไหร่จิตของเราก็ยิ่งจะมีความสุขมีความสงบเป็นนี่เราไม่สุขเป็นสุขที่ยั่งยืนมีเป็นสุขที่เที่ยงแท้ไม่แปรเปลี่ยนไปกับความสุขที่เราได้ทั้งโลกนามีแล้วก็หาไม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันเป็นโลกิยสุขจิตก็จะเป็นโลกิยสุขถ้าเราได้พัฒนาเห็นสมมติเช่นนี้รู้จักวิมุติช น, นี้แล้วเห็นธรรมะจิตก็จะเป็นวิมุติหลุดพน้นก็เป็นโลกุตระ จิตอยู่เหนือโลกนะอยู่เหนือโลกก็คือเหนืออารมณ์นี้เองไม่ใช่อื่นไกลจิตก็จะเห็นธรรมะจิตละโลภโกรธหลงไปได้จิตก็จะนิพพานจิตก็จะมีความเย็นเราสังเกตดีว่าถ้าเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงจิตใจของเรามันจะเริ่มร้อนขึ้นไปเรื่อยๆเท่าน้อยนะไฟก็คือราคะไฟก็คือโทสะไฟก็คือโมหะมันก็จะเผาใจของเราไปแหละแต่ว่าถ้าเราละความโลภ ละความโกรธนั่งความหลงใจของเราจะเย็ น, นใจของเราจะเย็นขึ้นทีละน้อยละน้อยถ้าสมาธิเรามียิ่งจะเห็นชัดเลยว่าใจของเราเย็นจริงๆถ้าวันใดเรานั่งสมาธิไม่ได้เราก็จะเริ่มเห็นว่าเออมันหงุดหงิด น, นะเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้รับประทานเออข้าวร่างกายเราก็จะมีเบทนาจิตเนี่ยเทาเมาื่อใดมีความสงบแล้วจิตก็จะมีเบทนาเกิดขึ้น เราก็รู้สึกว่าต้องนั่งสมาธิแหละถึงเวลาต้องพั ก, กจิตใช้กําลังไปมากในวันหนึ่งแล้วก็ต้องมาพั ก, กจิตของเราให้สงบมันจะเยือกเย็นใจสบายกายเบาจิตเบามันโปร่งโล่งนี่เราเห็นได้ว่าคุณของสมาธิเป็นอย่างนี้ถ้าเราทําสมาธิได้อย่างนี้เราก็จะไม่เกียจค้านเราก็จะไม่เบื่อน่ายเราก็จะมีความาที่จะทำสม่ําเสมอแต่ในเบื้องต้นนั้นต้องอาศัยความอดทน บางครั้งเราก็ต้องอดทนไม่สงบก็ต้องอดทนพยายามาเดินยังกม้มพยายามนั่งสมาธิพิจารณาอยู่สมอว่าชีวิตไม่แน่นอนนะวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วก็ได้เช้านี้เราอาจจะตายแล้วสายนี้เราอาจจะตายณเที่ยงนี้เราอาจจะตายบ่ายอาจจะตายเออบ่ายมากๆอาจจะตายตอนเย็นจะตายตอนค่ําจะตายเรา น, นอนครั้งนี้นนเราอาจจะตายจากโรคนี้ไปแล้วก็ได้ ไม่แน่นอนว่าชีวิตเนี่ยมันจะหมดตอนตอนไหนนะชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายมันของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตาย น, นเราพิจารณาดิาเห็นไหมคนเรามันตายทุกวันทุกวันน่ะเราน้อมามาบ้างไหมว่าเราจะต้องตายนะเราน้อมมาคิดพิจารณาม่าชีวิตนี้นะ่ะมันจะต้องตายแน่นอนนันเราจะเอาอะไรไปได้จากโลกนี้นะบุตรภรรยาสามีก็ตามก็ต้องจากกันไป เรามาก็มาคนเดียวตายจากนี้ไปอีกก็เป็นจิตนองเดียวที่จะต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารนั่นเราจะมีอะไรเป็นที่พึ่งลนะ่ะทำไมสร้างคุณงามความดีเอาไว้นะ่ะโรคนี้ก็เป็นอย่างนี้นะ่ะนะมีการเบียดเบียนกันมีการลบราคาฟันกันสมัยก่อนพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้สมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้มาสมัยนี้ก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกนะเห็นไหมว่าโรคเนี่ยมันเสื่อมไปอย่างเนี้ยคนที่เกิดขึ้นมาศิทธธรรมกน็น้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยมันเสื่อมไปเรื่อย นะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามนะเอาธรรมะคื้มาสอนใจของเราเอาใจของเรามาเรียนรู้เรื่องธรรมะให้ใจของเรานั้นมีธรรมะมีมากๆก็จะมีความสงบเย็นะเราจะอยู่ในโลกนี้ได้ก็อยู่ได้ในความสุขเกิดความสงบเพราะใจของเรามีธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายในวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะที่พวกเราก็ได้มาสแสวงหาในธรรมะให้เกิดขึ้น ให้มีขึ้นที่เรียกว่าการภาวนาการภาวนานั้นก็คือว่าการทําให้มีขึ้นให้ใจของเราดีเจริญขึ้นใจดวงนี้แหละจะไปสวรรค์ก็ใจดวงนี้ใจดวงนี้จะเป็นมนุษย์กับใจดวงนี้จะไปนรกไปอสุรกายสัตว์นิรันดร์ก็ใจดวงนี้จะเป็นพรมกับใจดวงนี้จะนิพพานก็ใจดวงนี้ะนะอยู่ที่คุณสมบัติของใจถ้าใจมีโลคมีขวดมีหลงมากไม่มีศีลธรรมนั่นแหละ เราเราทำทางที่จะให้ใจของเรานั้นไปสู่อัปยพุมไว้แล้วเราสร้างทางเอาอัปยพุมเอาไว้ในใจของเราแล้วตายไปจะไปไหนล่ะก็ไปอัปยภูมิหรือปัจจุบันนี้ก็เป็นอัปยภูมิอยู่แล้วในจิตใจของเรามีความโลภโกรธหลงมากๆใจของเราก็เศ้ามองนะแต่ว่าถ้าเรานั้นนะ่ะสร้างใจของเราด้วยคุณธรรมความดีมีทานมีศีลเป็นต้นใจของเราก็จะเป็นมนุษย์ก็อยู่ใน ปัจจุบันนี้เองนะมนุษย์ก็มีหน้าตาที่เยี่ยมยี่ยมแจ่มใสเบิกบานใจได้ระดับหนึ่งเหมือนต้นไม้มีใบหนาป้องกันแดดป้องกันฝนได้นะถ้าต้นไม้ต้นนั้นนะที่มันเหี่ยวเฉาแล้วมันไม่มีใบนะเราก็จะต้องร้อนนะเราก็ต้องได้รับความทุกข์เวทนาจากดินฟ้าอากาศที่แปรเปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดว่าใจของเรานั้นสร้างคุณงามความดีให้มากขึ้นไปอีกมีความอิ่มใจ ปกติมีความมนุษย์สร้างไปอีกก็เป็นเทวดามีสมาธิบางครั้งก็เป็นพรมนู่นนี่ของรูปนามเป็นสมมตุตดก็เป็นอนิจจังทุกขังร่างตาก็ใจเป็นพระกล่าวใจนี้จะประเสริฐเพราะใจเห็นส ม, มตุติตามความเป็นจริงวิ ม, มุตติก็จะเกิดขึ้นนะขอให้พวกเรามีความเจริญในธรรมทุกการทุกทกท่านเทิด